พระธรรมเทศนาแผ่นที่112ลำดับที่26โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สสิงหาคม2560มีชื่อเรื่องว่าจงมองโลกนี้ให้เป็นของว่างเปล่าเมื่อวานหลวงพอ่อ ได้เฝ้าเรื่องเกี่ยวกับถนนทางบ้านไปหัวะส่างนะหลวงพ่อไปเมื่อ ง, ง่านศบเมื่ออธิตย์ที่แล้วเนี่ยแต่หัวสพะพานพอท่านขาดแต่เดี๋ยวนี้เป็นในหัวสพะพ า, านสอบไม่ทังหมดเลยฮะจัเหลิมรถรถไปได้ป๋รถรถปิง้งับไปได้เน า, นอเ า, าะอ๋อหัวสพละพานลุมเลกิกเนาะผู<ถ>กนายก อปตงอบโอตโออบพอจออนะไรังเงียบเงียบอยู่เตะเออมันก็ะ เ, ม, เม็นสุดแหวมหัวสะพานมันมันมันเป็นหลุมอยู่ทางไตจะไปฝังไดถมไดทางไหนถมจะทางเทอมกรลุล ง, งไตขึ้นเนะกาอ่ะอืมเวลาเทะเทะเทหัวสะพานแล้วมันก็ะไหลลงไปทนะี่หัวอีกเตะอืมพ่อปันเด็กน้อยพอปันเด็กนอ้ อ, นกนอยเฮดเลนเนาะ คันโบปิดทูทั้งไตแต่ก่อนมันจะเหตุอย่าง ไ, ไหฮะนะเหตุพอดแล้วมื่ดไปืจอแต่รถแต่ไม่ไกลไปได้อยู่ตัวอืมเบื้องหน้าขัน้นพ่ออันน้นเนะไปเอาไม้เอาไม้สักในวัดของเขาเนี่ไม้ล่มเมื่อกี้นี่ล่มพัดหลายต้นอยู่เอาไปกาดกาดรถหน่อยไปได้กาดไปก่อนกระไดนะมาเอาไม้นวัดก็ได ใหม่ที่มันลมเมื่อกี้นี่โอ้หลายตนเลยเด้ไม่ซักนะเนี่ยแหละหลวงพ่อก็บอกอยู่บอกกับทางนายกเทศทบาลนายกออบตอกับผู้ใหญ่บา้านบอกไปครับไปบอกไปหานายกออบจได้หรอวะการเท้าศีวาแบบนายกใหญ่นายกทันประยุทธ์บอกว่าไม่ต้องถ่ายรูป อาจารย์ไปทั่วโลกหรอน่าจะบอกให้ผู้เกี่ยวข้องมาช่วยช่วยดูก็ได้อันนี้ถ้าตายโซเชียลไปถ่ายไปมันดังไปทั่วโลกมันขายหน้าประเทศเพิ่นวาวลงไปบาร์้ามบอกนายกหน่อยก็แล้วม้านนายกเทศบาลก็แล้วบอกนายกอบจก็แล้วบานนี้ลงพอก็เลยบอกให้บอกให้ตุ๊กแกนะ ต่อแก้ฉลาดของเฮาต่อแก่ปธรรมวันแล้วก็เจรัญผู้มีรถซิปล่อนะให้ไปเอาเนี่ยเอาเหินคลุกมาลงแก้ปัญหาเฉพาะนากรก็นแล้วมันเป็นหลุมหลายนะ เ, เพิงไผก็เพิงหยากบาดเนี่ยไ้เพิงรอพออ่ออวันเนี่ย เ, เพิงออมประจอก็แล้วออมบดต อ, อก็แล้วนะไไปบาดเนี่ยรอพออว์อให้เพิงวั น, น ลวงพ่อออนนั้นไปนไเนาะซับไยเนาะหลวงพ่อหลวงพ่ออินนั่นนาบัตรนี่นะห <c oughs> ลวงพ่ออินจิตใจเป็นผูจ่ายค่ายหินโคกไข่คนออกไส่วนรถชิปลอนะ้อนนันให้บอกกับเถ่าแก่ฉลาดแนตะ่แต่เมื่อกี้เนี่ยหลวงพ่อก็าบอกเลยล่ะเหมาะกับเจดลั่นนะะั่นแ่ะได้ได้ได้หลวงพ่อผ่นวางแต่ใดเพราะทเนี่ยผู้ใดนะจะเกี่ยวของนะให้นะี่แหละหมวดเอกนะั่นแะ บทางไปสายนั่นนะเราลองประสานนหมวดเอกนะจะเอาผู้ใดเอาพ่อหน่อยก็ได้กับผู้ใดอาจารย์สุจิตมันนั่นละเออนี่ยแหละท่านผู้กำกับมับนีแหละที่นั่งอยู่นี่ <c oughs> นี่เป็นผู้ใหญ่ไปบอกกับออบริษัท ส, สมิดนั่โสมของเขานะ่ะเอารถนี่แหละไปแก้ส่วนคาใส่ใจจัจงไน มาเบิกกับรอพอออน่อไปฟังไปได้มาหน่อไปมาเบิกกับรอรพ่อลอพออน่อไปหลวงพ่ออินวันน่อไปไปเบิกกับอปจอบตมันเบิกยากนะบ้านๆเองมาเบิกกับล่อพอออบ้านเนี่เร่งรอพ่ออ้อยี่ของยุบเกินสามรถชิบหล่อมั้ง เทลงไปหลุมๆผู้ใดบอกกำนันบ่านคำนั่นอยู่แถวนั้นอีกนะคำนั่นตำบลนายูงบ่านหลุมค่านี่แหละครับผู้ใดเดินทางสายนั่นไปสวนยางผ่านทางเซนเนี่ยไปอำเภอนาโสมทางรัดเลยหลวงพ่อก็ไปข้าวเนื้อก็ไปงานศพเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ยมั้งเอาตัวตัตัวตัายตายตายนี่มาทางผิษมาทางถือเนี่ว่า ว่าในรถเก่งที่ร้อยลังก็กบอะไจะไปนากบอะไรค่อยข้านไปนนไปโอ้ถ้าเป็นรถเก่งไปเนอันตรายนะบอยแมนยังสเสียหายแต่ถ้าเป็นปิกอัพนี่นก็พ่อจะลบหลีกแบบท่อนทุกทรมานมากทีเดียวเลยเพราะนั้นหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อก็บอกทั้ง อ, อบต อ, อ, อบจ อ, อ, อบตออออนายกเทศบาล เสนอไปทั้งเจ้าหน้าใหญ่เนอ้อเมืองถนนของเข้าน่ยเบิ่งเบิงโอ้เสียหายยางมากวัชพานธ์กระสุดผีน่องประชาชนก็เที่ยวสายนี่ยก็มือหนึ่งก็หลายลอยคนอยู่เป็นถนนลาดยางเป็นเบิ่งเบิงน่ะมันถนนทางทางหลวงชนบทนะ่ะเป็นทางหลวงชนบทหนะลวงพ่อก็บอกกับหลายคนอยู่ กันยังเงียบเงีบอยู่เพราะนั้นเอาแก้ปัญหาเฉพาะนาคอนนะแก้ปัญหาเฉพาะนาเอาหินคุกมาลงซะคงจะแก้ปัญหาใดแล้วเป็นภัยแล้วเป็นผู้รับผิดชอบหลวงพอ่อหลวงพ่อบอกได้ดวเดะมาเบิกกับรอพ่ออคณะกรรมการให้รับผู้รับทราบเนอกรรมการวัดเฮามาค่าใชจใจจังได เดีหลวงพ่อจะที่บอกกับคณะกรรมการอีกที่เนึง่งนะอ้ช่วยเหลือชุมชนสังคมระบบมันไไสิผิดไปใสในเมื่อชุมชนสังคมซอยวัดยังซอยใดายบาในวัดใดมาเป็นก้อนแลบ้วนอวัดก็จุดใดชุมชนสังคมจุดใดมันขาดตกปกพ่องมันทำให้ สมชนสังคมของเฮาอยู่โดยความลําบากเฮาก็ควรเฉลยเจือจานไปจุดนั้นนี่แหละหลวงพ่อคิดเท่านั้นนะลูกหลานได้บ่ได้คิดว่าอยากลำอยากรวยอย่างหรอกจะตุปปัจจัยได้มาก็ให้มันเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติปานเมืองต่อพี่น้องลูกหลานต่อพระสงฆ์องค์เจ้าตัวปัจจัยซีเป็นที่ ผิดเพียนผิดพึงาอาศัยจุดไหนที่มันตกมันเป็นหลุมเป็นบ่อเนยมันตำต้องก็ถมจุดนั่นถ้ามันสูงอยู่แล้วฮ่องจะไปถมยังมันสูงอยู่แล้วมันไปถมภูเขาน่อนี่คือกันอันน็กที่ขาดตกบกพ่องนะคือมันมันตมันตำเข้าควรจะถมให้มันดีขึ้นแต่มันสมบูรณ์อยู่แล้วเอาก็เอาไว้ก่อน เมื่อใดเป็นวันพระรหัสที่สสิงหาคมพุทธศักราช2560ันาเมื่อใดจะเป็นมือหนึ่งสําหรับพวกเฮาท่านทั้งหลายที่มาทำบุญทําทานเหมือนกับทุกขังทุกวันหลวงพออ่อขวบโคูมือให้กับพวกเฮาท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟัง่หลวงพ่อสัมผัส ในความรู้ในรรมบทใดหลวงพ่อก็นํามาบอกมากล่าวให้คณะ่าตญาติโยมได้ยินได้ฟังาการทีหลวงพ่อผูดทางนี้ทางนั้นหรือว่าถ้ำยังออกไปบ่ได้ยกโตยกตนคมผู้อื่นนะคำว่ายกตนคมผู้อื่นบม่มีเพราะเขาเป็นพระต่องอ่อนน้อมทอมตนต่อชุมชนสังคม จะโยกไปก็ยกไปเพื่อยังยกไปห า, ากล่องฟ้อนบอยกไปหาเครื่องตะก่อนบอกโยกไปหาเม่นบอกถ้าโยกก็ยกไปหันอนะ่ะพออีกบออีกพอถึงหลายปีแหละต่างก้นต่างตายหลวงพ่อพอจะคิดจีโยกย่องจกของไนดะ้ลูกหลานไนดะ้สิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ที่ว่ามันพิษมันบโทก หลวงพ่อเขาว่ามันบอทโฮกว่ามันถูกแต่จะได้มัันนบอทโกในเมื่อมันดำเข้าใจว่าสีขาวอะไรจังใดหลวงพ่อจังว่าสีดําำในเมื่อเป็นสีขาวอยู่แล้วหลวงพ่อจวว่าสีดำอะไรจังใดหลวงพ่อต้องว่าสีขาวหลวงพ่อเนี่เป็นพระเดแต่ทายาทโยมโลูกหลานให้ฟังบังเอิมพี่สามของหลวงพอนะ่อเนี่ยบ่มาตั้งลอยกว่ากันบ่เหม็นลอยกว่านะันลอยกว่าแผน่น อร่อยก็แพนนี่ยมันกักซักกั น, เ, นเป็นหลายลอ ย, ยหลายพันกันว่นไปจะเป็นเทศนะเทศขมือนะปันให้ลูกหลานฟั่งเบิ้งบัตนรเนลหลวงพ่อยิ่ยอยากจะหูวจักอยู่ว่าหลวงพ่อเนี่ยบ่าไปแล้วนะจุ่มจํานวนนั่นละ เ, ะเป็นการทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนบุญไหว้เสียหายอยังมีมอกมีบอเนี่ยหลวงพ่อจะไปย่ามรีกเกลนในสิ่งที่ทําให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อน พูดให้ตามความเป็นธรรมเป็นธรรมค่ำนี่ยคือขี้หยังอย่างที่หลวงพ่อนะขั้นเขาเห็ดพิษนี่จะว่าถือได้จังไรมันพิษนะในความรู้สึกหลงหลวงพอนะ่อหลวงพ่อหม้อหมดนะแล้วมันพิษเราก็ต้องว่ามันพิษทนะามันถือกอยู่แล้วจะว่ามันพิษได้จังไรเพราะมันถเถื่กมันถูกเนะ น, นะนี่แหละอันนี้หลวงพ่อจะว่าตามความเป็นจริงนะจะทายง่ายงนอมให้เปิ ด, เ ป, ดเปิดฟังเพิ่งก็ได้หย่อนหลังฟังไปเรื่อย ถามว่าจุดใดที่มันรอแหลมอันตรายก็บอกบอกหลวงพ่อมากก็ได้กันผูกกาบอกเขียนจดหมายก็ได้เขียนจดหมายนมหน่อยก็ได้ส่งมาหลวงพ่อก็ยินดีแต่จะเป็นเหตุปัดสนเทเทอะไรนะต่องร้องซื้อผอมผูกคาดึกจยูหันยูน่เบืร์ทิตโทรศัพทนานันท่านีิผูกขาได้ฟังบังเทศกันนันกันน่มือ วันทีถอนหนันถอนนี่ผู้ข่านี่บ่สบายใจหลวงพ่อนี่บ่ไหนจะบ่ถือได้หลวงพอมีความหมายจังไดจุดนีนะ้ก็บอกมานะบ่าแม่จะปูปับหรือนเะ่าทรงบัตชนบัตทรงบัตชนเทเนะี่ยมีแต่พี่บาปพี่บ่อเท่านั้นเหตุแบบนั้นนะคนโง่เงาเตาตุนคนบอกรัากันกานะมามนะาถามมาบอกไอนะ้คนที่ ปัญญาพอเต็มเต่งขาดบาดขาดเต่งขาดบาดขา ด, ขา ด, ขาดๆๆตาเต่งมันเหตุไปได้ทุกอย่างน ะ, นะพอกิเลสนะกิเลสโลภโกรธโงงลาขะโทษสะโมห์จุในจิตในใจฉันท่ากติอพ่อความรักกั น, นพวกหนึ่งละอิดฉาพวกหนึงน่งเดี๋ยวฉันท่ากติโทษสะกติคือความบ่พ่อใจในจิตในใจพยากติคือความกลัว กัวเขาจะได้ดีกว่าเป็นพยากติโมหคติคือความหลงคือความงโง่อคติสีที่พระพุทธเจ้าเปินว่างเปิวบอไว้แลละถึงสองพันรอยกว่าปีแนละ้นลูกหลานเอามาบอมาวากันยังท่านสมัยอยู่ น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือที่หลวงพ่อบอให้ฟังเพราะนั้นให้คณะชาญยาตโยมลูกหลานทุกขูทุกคนหลวงพ่อนี่บอมม่ยัง ทีมีหยั้งได้จังไดอายุจึงเจ็ดสิบกว่าปีแล้วจากใดยั้งหลวงพ่อก็ถามเลยพาวนาเบอร์แล้วพ่อพาวนาแหละกันแอลแล้วหลวงพ่อก็ถามหลวงพ่อนะหลวงพ่อหลวงพ่ออินอยากได้ยั้งอยากได้ยั้งอยากได้ยั้งอีกบอกมั่นข้าพมีอยากังอยากได้อีกคนไปมันพ่อแล้วพ่อแล้วขนาดเดียหลวงพ่ออินเอ้ยพ่อแล้วอายุเจ็ดสิบกว่าปีแล้วเสียวยังอีกล้วหลวงพ่อ หลวงพ่ออินถามหลวงพ่ออินนะยังยังอยากได้อีกยังยังอยากได้ยังอีกบ่ละ่ะหลวงพ่ออินมันถามมันก็เหตุซื่อโยนไปจักทีอยากได้ยังมันพ่อแล้วโยนไปบิณฑบาต ช, ชั้นแต่ละมือน่ยก็พ่อแล้วมีแต่ส่วนเกินมิแต่พูนันถึงหลากไปพูนันดึงหลากมากอันนี้คือส่วนเกินจะเหตุยังไงละ่ะเ อ, อมันก็ต้องไปพ่อเขาอยู่ในโลกเออ เข้าฉันจังหันเข้ากินเข่าเปิลยูนะเข้าพนซอยปัจัจเขออ้ายนะูปัจัยซีเข้าอยูนะเห้าใดมานล้วก็พ่อสีซอยอย่างเพินได้เข้ากับทางซอยเพิลจังซีแล้วเนะี่ยผกซัดท่าญาโย้มาเนะี่ยถวายสซบาทลงพอแล้วลงพอกางเธอกรเมอยอยุอันหลังหมืนะ่นบ่ออยากบาออก่อลงไปให้คิดเปิงจบของหให้คิดเปิงพวกเข้าดูผกเข้าอยากบ้าคู่มือบ่ ก้อนชีวอลหรือนะ่ามันจะคืดใดคืดเฝนะ้าด้ยมันต้องคืดก่อนว่าตถุวาะนะอีหยังที่เกินจะเกิดประโยชน์ในมือนิเนี่ยหลวงพอนะ่อเนี่ยอก็ต้องได้เฝ้าเพราะนะเหตุใดเพราะสัทธาญาทีาามนะ่ม่งเนี่ยใส่บาดไม่ห้ยยูห้ยชันนะเดะเมื่อใหายยูห้ยชันแล้วก็เออเอาอีหยังที่เป็นเครื่องตอบแทนให้เป็นความรู้ความฉลาดมีให้มีสติปัญญา ที่จัทถายาดิ่อมขามาสูว่วัดว่าศาสานาที่มาทำบุญ น, นี่แหละอันนี้เพราะพวกทาเจ้าพนก็ว่าว่างไว้ขึ้นกันเลยสมัยหนึ่งพระสงฆ์ไปฉันจังหันน้ากันเนี่พอไปฉันจังหันแลยก็ตั้งกนต่างไปมาล้มมาแหลมมานไปบ่ได้บอกไอ้ยังมาหน้านไปพอฉันจังหันเนี่ยก็มาล้มม า, ลมมาแหลมตั้งองค์ตั้งไปม า, าหน้าไปมหานศาสนาอื่นมาเนี่ยศาสนาสมัยนะมันหลายเลย ผวกนี่คนผวกแก่เสื้อแก่ผาพวกหนวดมอดเข้าพลาลุงพลาล่างมันมีเด้เพราะสันยางหาันแล้วเขาก็ให้ศีลให้พ่อเนอะเออให้ตะกูลของเฮ้ามีความหล่มเย็นเป็นทุกขนะ์นอแหมมีความลำลวยเนะไปใช้การเดินทางมองหันเป็นหลุมมองหันเป็นบอ่อให้เดินทางหรือความเรียบร้อยให้หลีกเป็นให้สิ่งที่มั่นบอดีออไป เดินทางท่งมาม้าคาขายให้จะเลือล่อนุงเรื่องนะเนอะพวกฤือสีชีพไผ่พวกชีพเปื่อยมนันนะ่ะเพื่อกินเขา่าท่านอาหารของช่าบ้านแล้วก อ, ก, อก่อนถือก่อนจะแหลกเลือกล่ากันไปเพิลนก็นเลยให้ยศิลหายพรที่ก่อนยังค่อยไปเลยม่าในพระสงฆ์ในพุทธศาสนาเนี่ยพ่อฉันจังหันแล้วเนี่ยกินเข่าแล้วก็ตางคนตังไปมลล้อมมาแหลมมันออกไป ชาวบ้านเขาตำนน้บานนี่ยโอ้คนในศาสนาอื่นขนาดที่ปุงที่เปือ่อยเขาก็ยังอานวยอวยพรให้เจ้าของเจ้าของบ้านเออให้ประสบความสุขความโชคดีแต่พระในพระพุทธศาสนานี่กินแล้วเฮ็ดชื้อๆอยู่ตั้งโงตงองตั้งไปเลยเฮ็ดยังได้พระในพุทธศาสนาบะมีขันเมาอย่างเลย มาในเขาก็ตำหนิี่ยพ่อตำหนิแล้วพระสงฆ์ทั้งหลายก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเพิ่งก็เลยอืมตอนนี้ตอ่ตอไปให้พวกเธอท่านทั้งหลายเอเมื่อฉันแล้วพระผู้ญัยที่เป็นหัวหน้าให้ศีลให้พร เ, เ, ออเขาเถิดอ่าออวยพรเขาอ่าจากนั้นกั้นผลให้ฉันจังหันแลว้วโบอวยพรเขาเบาๆยังไปเลื่อยปั๊บเอาบัทุกข์กดผลมาได้บัตรเนี่ยปับโทษอีกทางหา บาดันพะสง์ก็เลยบอกว่าจักรแ่ดันต่อมาเพราะอะไรห้ให้ค่ำหายค่ำห้พ่อนออกมาหน่อยยิ่ว่ายาถาวารีวาหานิปูราปารินิหายเข้าไปอ่านแปลบางบาทนี่เออมันมีค่ำแปลอยู่ในหนังสืออยู่แล้วยาถาวารีวาหานแปลว่าจังไดรบ้างนี่เนี่ยแาาหะยและมันเป็นมาจากพุทธนะการนัตถาญาตโยมลูกหลานพระสงพะหัวหนาเป็นผู้ให้พ่อนห้ยศีลห้พ่อนเจ้าของบ้านเขา เจ้าของกิจการเขาที่เขาถวายจะุจะทุกปัจปจัยถวายอาหารให้ศีล ใ, ให้พ่อเขาเนี่แหละพ่อต่อมาพระสงฆ์บอกว่าวัานหลวงตามหาบัวว่าเนี่ยไปแต่กอนให้พ่อองค์เดียวไเลอให้พ่อองค์เดียวพ่อแล้วกับหวัวหน้าให้พ่อแล้วก็จบอพ่อต่อมาเนี่ยพระสงฆ์ที่เป็นหวนัวหน้าก็ว่ามาหากินไปกินน้ากันนี่ยว่า ใช่น้ากันกินน้ำกันให้พ่อนองเดียวเกับเสียเปรียบองค์เดียวพดเอาต้องหายวอดฟอกพร้อมกันสาบบาดเนี่เออก็เลยพูดให้พ่อวนาวอกนะยะถาวารีวะหาพวนกับทราบพีติโยนไปไอ้พวกเข้าฟังผด้ชอบพีติโยนแปลว่าจังไหนก่อนหะในเป็นเป็นภาษาเป็นภาษาบานเห้าน่ะภาษาผื่นเมื่องเห้าน่ะเออประเด็นก็ห้ยซีในพ่อนพร้อมกันมัดทั้งพระสงฆ์ทุกองค์เพราะพวกเข้า ชั้นเขาเชาวบ้านเขากันเลใช้ปัจจัยสีของพี่น้องลูกหลานทุกคนก็ต้องให้พ่อันพ้อมกันเนี่ก็เลยมีการให้พ่อันพ้อมกันเนี่ยตะกอนให้พ่อันองเดียวได้อันนี้หลวงพ่อได้ศึกษามาอ่านในปัจจัยปิดกมาศึกษามาหลวงพ่อได้ยินอย่งหลวงพ่อก็มาว่ามาว่าให้ลูกให้หลานได้ยินได้ฟังนี่แหละเพราะนั้นเรื่องสินให้สินให้พ่อนันเนี่ยอืมมันเป็นมาในแต่ขังพุทธการแต่ ปนัลลงพอเองเนะ่ยเวลาจะฉันจังขานก็เออเมื่อเนี่กัแนวว่าแน ว, แน ว, แน ว, แนวความคิดเรืเ่องคุณธร ร, ร ม, รรมจริยธรรมจริยาธรรมจังไดให้ลูกให้ล้านให้ในคณะชาติท่าญาติโยมได้ยินได้ฟังเป็นแนวความคิดนะเมื่อเนี่ยกับวา่าเรื่องกฏระเบียบบังบางที่ก็มีน้ำใจบังมีการเสียสละบังการอยู่น้ากันมวนมนุษย์ชาติสรุปแล้วกันเนะี่ย เอาความดีเขาหากันการอยู่น้ำกันอย่าไปอิดชากันอิดชากันก็เท่านั้นได้ยังเอาความดีเขาหากันนะมีประโยชน์กว่าบอถึงรอยปีต่างข้นต่างตายหลวงพ่อก็บอกขจิโยหอดลอยปีท้่ลูกหลานเลยพอเห็นผู้เฒ่าผู้แกหอดลอยปีแล้วโททษโทข้านกำกานกก่อยพยุงหนาพยุงหลัง บาลาหลงพอเนี่ะเอาปนันบอนโอ้อย่าให้ถึงปนันทะลุหลา น, ไ ด, นาดได้ขนาดไดนขนาดนึงพ่อซอยเจ้าของบ่อใดก็เอาถึงข้าวละอย่งไหนเกิดมาตายแท้ๆละพราะนั้นหลงพอบริคิดก่วงคิดไก่เลยบริคิดว่าสิข้องโกรกข้องสงสารเป็นปรมาจารย์เลิดเลิดตอลูกศิษย์ลูกหาคนทั้งหลายจะขึ้นมาหาหลวงพ่ออินทั้งหมดน้าหลวงพ่ออินขึ้นจังสัน่หลวงพ่อบ่เคยขึ้นทะลุหลานนะ แล้วก็เว่าให้ลูกหลานฟังเน่ยลูกหลานถี่เสือ้อหรือบนเสือ้อก็สุดแทนแต่ลูกหลานขึ้นกันหลวงพอ่อก็าบ่กมีการบังคับสู้เจ้าทั้งหลายเสือหลวงพ่ออินทั้งมดเดอร์เฮ้เาก็บวเดวานะอหลวงนะสู้เจ้าทั้งหลายปฏิเสธหลวงพ่ออินเนอร์เฮาก็บววาอนะีกขึ้นกันแต่เฮ้าว่าไปแล้วหลวงพ่อว่าไปแล้ว่เววนะเขาไปคิดเบิง้งมันถึกอมันถูกพวกเฮ้าก็เอานําไปปรับปุงแก้ไขกายว่าจจใจของเจ้าของ พ่อแก้ไขไก่ว่าใจใจของของเจ้าของเป็นคนดีแบบนี้มีความสุขหลวงพ่อก็มาได้ไปแบ่งสรรปันส่วนมาเอิดเอ้ยได้ความสุขเพราะความเบาของเฮ้าเนี่ยเออต้องเอาความสุขนั้นมาให้เฮาได้เออเอาเงินมากก็ได้เป็นเงินมากก็ได้พอมีความสุขแล้วนะต้องเป็นแปลเป็นเงินมาหน้าหลวงพ่อก็บพวกไข่เบาจังสันเอกจ้ากเถื่อขึ้นกันเบาไปแล้วก็เออเอาพวกเฮ้าได้กินได้ฟัง นั่ไปปร ะ, ประพฤติปฏิบัติประปรุงกายว่าใจว่าจจใจของเจ้าของอมีความลมเย็นเป็นซุขเหรอเออเอาหลวงพ่อก็ยินดี อ, อมุทิตาด้วยโมุทิตาคือพ่อยินดีด้วยนะในการเป็นสุขของสัทธา ญ, ญาติโยมพระเน่นลูกหลานผู้ใดก็ตามมาละไปที่จะยินในฟั่งหลวงพ่อแล้วนําไปประพฤติปฏิบัติประปรุงกายว่าจจใจของเจ้าของล่ะหลวงพ่อก็พอยินดีด้วยนะ ในเมื่อได้รับความซกนะนี่แหละสรุปแล้วก็คือในหลักธรรมคาสอนของพุทธะเพื่อนยังบอกให้ปล่อยว่างดูก่อนโมกคลาดนะท่องท่านจงมาดูโลกนี้ให้เป็นของว่างเปล่านะพระพุทธเจ้าสอนท่านสอนพระ ส, สาวกมองให้มาให้มองมาดูโลกนี้ให้เป็นของว่างเปล่านะ ก็ให้เป็นของว่างเปล่าลงไปปล่อยมีดยั้งก่อนไ ป, ไปพวกเข้ากเิเลสของเขาก็ดันเธอเลยขึ้นมาแล้วโบมีดดังอย่างใใไดจังไดอันนั้นพออันนี้แม่อันนี้ลูกอันนี้เมีย อ, อันนี้เงินลอยเงินพันเงินหมนื่นเงินแสนเงินล้านอยู่ในธนาคารอันนี้ทรัพย์สมบัติของขาพระเจ้าที่โบมใใีดใดจังใดพระผู้ได้เจ้าปฏิเสธได้จังไดใหส้สอนใดจังไดว่ามาม่วงหลกนี่ให้เป็นของว่างเปล่านะ กิเลสมันดันอย่งสันได้แต่พอเพื่อมันย้อนกลับไปอีกไปานี่ยมันมันเป็นของเจ้าของอิรีบอร์นบาดฮาตายไปแล้วนําบาดนี่ขนาดร่างกายของเจ้าของยังไปเผาไฟถิมบาดในจริงเหล่านั้นมันจะเป็นของเจ้าของใดจังใดมันว่างเปล่ามันมัมีมันกับของบอมีถึงจะมี่ยุแต่มันก็เหมือนของบอมีเพราะเหตุไรเพราะ มันโม่มันโมเมนของเฮ้ามันเป็นของว่างเปล่ามันโมเมนต์มันของออกจากเฮ้าขนาดร่างกายยังโมเมนของเฮาแล้วของสิ่งอื่นเหล่านั้นมันจะเป็นของเฮ้าใดจังไดเพราพระโพธเจ้าเป็นมองขามไปพุ่นอีกเด็แต่ว่ากิเลตของเฮ้าเนี่มองอีกมองอีกมุมเนื้อ่ึลงไปนี่แหละยังว่ามองต่างมุมน่ะอพระโพธเจ้าเป็นมองเหนือเหนือชั้นอีกเป็นยังบอกว่าดูก่อนโมกขลาดท่านจงมาดู โลกนี้ให้เป็นของว่างเปล่านะเพราะนั้นนะเวลาเข้าภาวนาขึ้นกันเวลาเข้าภาวนาตั้งจิตตั้งจิตให้สงบแล้วเข้าบังใจของเจ้าของให้มันเป็นว่างนะปล่อยว่างว่างเปล่าลงไปบล่อยมียังก็ลงไปออพอร่างกายมันโมแมนของเข้าใจของเขาก็ให้ว่างอีกบล่อยยึดมัน่นถือมั่นกับอะไรอะไ ร, ะไรทั้งปวงนะมันโมเมนของแนวที่ยึดมัน่นว่าเป็นตัวตนของเราพอเหตุใดเพราะ อร่างกายหนี่บพอเห้มันแก่พอให้มันเจ็บบอให้มันตายอออีกสักมือนึ่งแหะมันต้องไหลไปตามภาษาของมันมันไตไปตามสภาพของมันมันอยู่ในกฎในจังใจของเฮ้าเนี่ยจะเป็นทุกข์กับมันบ่าะเนี่ยเมื่อมันตายนี่เสียงทั้งหลายทั้งปวงเรานี่แหละเฮาพวกเฮ้าคิดไวอต้องคิดไว้เตนเนินคิดไวก่อนเก่าก่อนมือนั่นจะมาถึงก่อนไป นี่แหละมื่อวานกะ็ท่านท่านรุ่นก็ไปเยี่ยมหลวงพ่อเทื่ยงหลวงพ่อเรื่องลุบเล่าพันกระ บ, บอสบายได้ลูกหลานได้อีกสักมือหนึ่งมือใดมือหนึ่งแล้วหลวงพ่อก็ยังคิดขึ้นกันจะไปเยี่ยมเพิ่นที่แรกก็คิดว่าเพิ่นจิกลับมาได้ง่ายๆพ่อไปแล้วมันบมเมนนะ่ะกัหมอเขาก็ไลา่งานเป็นระยะระยะมาอยู่พอหลวงพ่อก็อุ่นใจบอกหลวงพ่อเดี๋ยวผมจัด ตรวจดูว่ามีอะไรผมผมจะรายงานมาเออมือว่านเขาก็ไายงานมาว่าเป็นหมอมะในเม็ดเลือดหลวงพ่อได้เงินแล้วก็หม้อมะตัวเนี่ยมันก็มันต้องได้ใส่เงื่อนหลายท่าต้องทายเลือ ด, ดแต่ก็ยังยังท่านก็ยังเหนื่อยอยู่จะมีตัวซ้อนหรือเปล่าอาจจะมีวั น, นโรกในปอดอีกกําลังตรวจสอบอีกหลวงพ่อเนี่ย เขาก็ว่าจังฉันไม่เอกนะนี่แหละหลวงพ่อมือ น, นั้นจึงได้ให้สวดม่อนเนา่นเนาพวกเข้าพอเห็ุไดก็เ่ามีอี่ยังสยอยสิเหลือใดซยอยเหลือก็มีตมหมอเป็นผู้ซอยพวกเข้ามีแต่ทรงกระแสจิตกระแสใจไนะอให้หายจากโรคฆ่าพยาติา่ลกับบำเพ็ญมาถึงสามสิบกว่าปีแล้วนี่แหละสิ่งมูนี่นะให้เข้าคิดไ้เต้นเนินเนินนะ เออพอเม้นท์เพิ่นเปลี่นมาเข้ากันจิอเพิ่นเป็ี่นเนาะฮเพิ่นเป็นเนาะหนุ่ม เ, นน <g it> เ, เ, เป็นสันเลยอีกสักมือมือหนึ่งนะเอออีกสักมือนึงนะเข้าสิตเป็นบานเนี่เข้าจิเป็นตัวอย่างให้หมู่เดือบังอีกผวกยูเบื้องหลังผวกยูเบื้องหลังจะได้เห็นเข้าเป็นตัวอย่างบ้านเดีเ๋ยวนี้มิจตผู้อื่นเป็นตัวอย่างเข้าผู้นั่นเป็นังสันผู้นี้เป็นนิสี่ปัดหาไปโรงพยาบาลพวกเข้าไปโรงพยาบาลยังคอไปเบื้องบ้านนี่ แต่และเตียงเนี่ยเตียงในโรงพยาบาลร่วนแล้วจะเป็นตัวยางเข้ามดัดเอาไป <c oughs> คําแมนเขาเลือกใดเข้าจีเอาตัวยางใดเอาไปไอ้ที่มันเป็ดอยู่กันคือจะบอมว่าผู้ใดคือผมไม่ผู้ใดอยากเลือกมั่งเนาะยุ้ดเลือกอยู่เป็นเลือกอยู่แบบสบายสบายสิดีกว่าแล้วหลวงพ่อขจีวานใช่แล้ววอแต่มันเลือกว่าใดไอ้ที่ลาวานเนีอยมันเลือกว่าใดมันต้องได้เป็นแบบไหแบบนึ่งล่ะในโรงพยาบาลเน่ะ ดังนั้นขอให้พวกเข้าทั้งหลายนะคิดเฟตลวงหนาไว้สรุปแล้วก็คืออย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีสังสมบุญกุศลเข้อสู้จิตใจเอาไว้ทําใจให้ว่างเปล่าจิตใจให้ว่าง เ, เหมือนกับพระพุทธเจ้าเพันสอนภาษาบอกให้ดูให้มาดูโลกนี้ให้เป็นของว่างว่างเปล่ามันบดไ อ, อ้ยิ้งหน่อยที่เขาหามามากๆทิ่มมัดหมดไป มหามือตายมานะแบมือแปงแซงไปเอาน้ามกเผาเอาน้ามะหดฟาเมือ่อน้าหอมมาลดฟามือกลไหลออกมัดกันลไปบางคนมากกว่านั้นชาวบ้านนอกอตายแล้วเงินเหนรียญหยัดใจปากอีกเหรียญหาเหรียญซิบบาดหอดไปหอดปลาสาไปเผาแล้วไปค่ายอยู่ปลาสาอีกเอาไปน้าบ่ออีกก่นไปพราะในพวกกระดูกยังเอาไปน้าบ่อใดเ ภาษาเหรียญหาเหรียญสิบจะไปได้าไดจังไดเป็นบ่อละบางก้นพอตายไก่ที่ตายเรียนแล้วนะพอเนะี่เอาเงินใส่กระเป๋าไปใส่กระเป๋าไวนะ้แล้วพอเนะนี่ยมื่นสองมืนบาทเพื่อจะไปทําบุญเพื่อจะไปบอกกับพญายมเอาเงินไปจ้างจะไปสวรรค์ซันได่ <c oughs> พอ่พอไปหอดปภาษาจะเผาแท้ กลุ่มควักเงินออกมาจากกระเป๋าเข้าไว้ไปเหตุอย่างอิหยกอิหยกอิหยะบอกว่าก่อนถี่ตายเอาเงินใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าส่งพอวันอไปบานในบานที่เผาแทบไปจกเงินออกมาจากกระเป๋าใช่ไดมวนันไปหลวงพ่อยังเห็นยังพอยังคงิดคำขอยู่ในใจนะเลยตอนนั้นพวกเฮานะอย่าให้ผู้ใดเอาเงินให้เฮาเอาเอาบุญใส่จิตใสใจของพวกเฮา ให้เต็มบริบูรณ์นั่นและเลิศประเสริฐสิ่งไหนที่มันดีสาวบมเมนต์จะให้ท่านอย่างเดียวได้ลูกดานไะด้ให้ไหวพระให้นางภาวนาให้รักษาศีล น, นี่แหละมันเป็นสมบัติที่พระพุทธเจ้าที่พันว่างไว้มหาศาลท่านศีลไหวพระสวดมนต์รักษาศีล น, นางภาวนาแต่ว่าเรื่องการทําท่านเราก็บกประมาร อันนี้อันนี้สงเป็นจะเบียงเดินทางต่อไปพ้าอภาคนาคนะันว่าตกทุกข์ยากจังเลยเนี่ยอันนี้สงท่านตัวเนี้จะเป็นเครื่องเกือกูลหนุนเล่าเฮ้าไปตกอยู่ในไซอันนี้สงท่านกระซอยเฮ้าเอออย่างที่โบล่านเพิินว่านะตกไปอยู่ในหมูแห้งดีกว่าแห้งตังคะนาะตกไปอยอยู่ในหมูกา ดีกว่ากาทางห้อยถึงจะไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่ก็ดีดีกว่าหมูหมากาไก่ที่มันเป็นเป็นยูนเพราะอะไรเพราะอันในสงสินอันในสงท่านของเข้ามีเพราะนั้นอันในสงตัวนี้มันบอดตกไปใสเลยมันติดจิตติ ด, ต ด, ตดใจของเข้าไปเป็นอนันตาการจนผลทุกในวัฏสงสารในที่สุดอย่างที่พระพุทธเจ้าผลบำเพ็ญมานะบําเพ็ญมาตั้งสีอสงไขน่นะ ปัญญาธิการสี่อสงไข์ไขกำไรใหม่แสนมหากรัปนะเก็บหอมรอมริบเก็บหอมรอมริบมาเรื่อยๆผลอิสุก็เต็มบริบูรนได้ตัตรูเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนะอเนกสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงก็เกือ้อกุนหนุนเขามานะบริสุทธิบริบูรนไปใสบสถ์บอยากนะประวัติศาสตร์ชุดถ่ายของเพลินล่ะจากนั้นเพลินก็เขาสูงในผ้านละมดละไป พ่อปานอันนี้สงสินอันนี้สงท่านเคือกันกับเหื่อนางเหื่อพ่อนางเหื้อไปหอดฟังแล้วบ้านเฮ้าคืนฟังแล้วไปเอาสมบัติติดตัวคืนฟังเหรอเหื่อมันก็ถิ่มเลยแล้วจะไปห่วงจะไปแบกจะไปแบกเหื่อขึ้นฟังยังงมันบ่ละเฮาไปชูแดนแห่งความกระเซมหน่อยจะหาหัวห่วงอย่างเหื่อถิ่มเลยเหื่อ นี่คือกันนะ่ยบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงนะ่ยคือเหือนะ่อเนี่ยความบริสุทธิ์รุดพล น, ะนั่นแหละเลิดไปเสิรดกว่านะเอาละพ่อ น, น้ำบันเนเน่านะ